การฝึกสมาธินี้ต้องทำใจให้สบายก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเราต้องอธิษฐานสมาธิก่อนข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมสังโฆพุทโธธรโมสังโฆ พุทโธพุทโธพุทโธอ้าวนั่งตามสบายก่อนที่เราจะเข้าสมาธินะ่ะต้องทําใจให้สบายถ้าทําใจใสบายได้แสดงว่าจิตเราเป็นสมาธิ ให้นึกบริกรรมคือทำบ่อยๆซึ่งการกำหนดบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ให้จิตของเราอยู่กับพุโทโธจิตของเราอยู่กับพุโทโธแล้วใจเราก็สบายให้สังเกตดู สังเกตดูว่าจิตของเราสงบสบายไหมถ้ายังไม่สงบยังไม่สบายจะทำยังไงก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานมั่นคงในพุทธโธพุทธโธ ท, ที่ไหนที่ท่ามกลางอกที่ท่ามกลางอกคอยดู คอยรู้คอยเห็นพุโทโธอยู่ที่นั่นให้นึกพุโทโธนี้เป็นประจํานึกไว้ในใจตลอดเวลาเรายืนอยู่นั่งอยู่และนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็ให้นึกถึงพุโทโธพุธโทโธไว้ถ้าเรานึกถึงพุโทโธพุธโทโธไว้ใจเราก็จะต้องสงบเป็นสมาธิ ใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เลยปฏิบัติอ่านแต่นังสือตำราคำภีอ่านนังสือตามตำราให้ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้ มันก็คิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทำยังไงก็ไม่หยุดทำไรก็ไม่อยู่ให้นึกพุโทโธพุโทโธไว้ในใจอย่าเอาสิ่งอื่นเข้ามาบรบกวนใจเช่นเสียงเส้นอะไรต่างๆเหล่านี้แหละก็ให้ระลึกอยู่ยงั้นแหะ ให้ลึกอยู่กับพุทธโธณถามกลางอกให้คอยเฝ้าดูพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรมากสำหรับการปฏิบัติพุทธโธนี้ไม่ใช่เป็นของยากไม่มีใครทําได้เลยอันนี้มันก็เรียกว่าไม่เข้าใจการที่เราปฏิบัติไป เราทำกิจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมคืออยู่กับพุทธโธให้สังเกตดูพุทธโธเรารู้ได้ตรงไหนให้สังเกตดูเรารู้ได้ที่ท่ามกลางอกถ้าท่ากลางอกก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ให้เอาไปไว้ที่จมูก คอยกำหนดลมคอยกำหนดพุทธโธพุทธโธอยู่ที่จมูกให้นคกพุทธโธไปเรื่อยๆจนทำได้ทำเป็นนั่นแหละจึงจะวางใจได้ให้เซายามกำหนดไปเรื่อยๆพุทธโธพุทธโธนี่ หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้โตคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมโมผู้รับปฏิบัติทำคำสอนรอพุทธเจ้าเรียกว่าสังโฆให้ตั้งใจถ้ามันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้แก้ไขให้พยายามคอย กำหนดไว้อย่าห้ันไปที่อื่นให้มันตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธให้สังเกต ด, ดูให้ดีว่าใจเราอยู่กับพุโทโธไหมถ้าไม่อยู่กับพุโทโธมันไปที่ไหนล่ะ โนนไปเรื่องโน้นเรื่องนี่ตามบ้านตามเดือนตามลูกตามเต้าเป็นกังวลแล้วแันี้ภาวนาอยู่เขาก็กวรก็เลยไม่ได้โอกาสที่จะทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือให้ยิง่งขึ้นไปถ้ามาฝึกปฏิบัติแล้วจิตสงบแล้วอันนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลยให้สังเกตดูพอเราไปคิดเรื่องอื่นซึ่งเราเรียกว่านีวอนคือเครื่องกลางกัน้นไม่ให้บรรลุความดีได้นั่งอยู่กับคันตรงนั้นเก็บตรงนี้เหมือนมีมดมีแมงแต่อยู่ตามตัวเรา นึกว่ามันจะเข้าตาเราเราก็เอามือไปจับนั่น ส, สมาธิบนตกวได้ไเอามือไปจับไปรูปคําดูไม่มีมดไม่มีแมงอะไรเลยไม่มีมดไม่มีแมลงไต่ก็ไม่ไต่ที่อื่นนะไต่ใกล้ใกล้ตานั่นเดะที่ปากที่จมูกมันก็ไม่ไต่มันไปไต่ยอยู่ที่ที่เรากําหนดนั่ะ เรานั่งอยู่เข้าสมาธิอยู่แต่ยังไม่ชำนานหรอกให้แก้ไขถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าเอาใจใส่มันจะตต่จะตอบอยังไงก็ช่างเราไม่เอาใจใส่ให้เอาใจใส่กับพุโทโธอย่างเดียว พอกินล้าสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นจะหนีไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันไม่อยู่เลยมันหนีไปเลยเราก็กาหนดพุดโทโธได้ถ้ามันหนีไปเราก็ไม่ต้องไปตามมันเพียงแต่ตั้งสติคอยเฝ้าดูพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดพูดง่ายๆท่องพุโทโธอยู่ในใจตลอดเวลาจะทำอะไรอยู่ก็ท่อง พุทโธในใจตลอดเมื่อเราทำมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าใจของเราดีสงบเข้าที่เข้าทางแล้วรู้วิธีปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองสามารถทำกิจที่ไม่สงบให้สงบลงได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธนั่นแหละกิจเราก็จะเย็นสบายไม่มีอะไรรบกวน ถ้าอยู่บ้านอยู่ช่องมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายอย่างก็เสียภาวนาแล้วมันก็ไม่ได้เต็มที่แต่นี้เรามาตั้งใจฝึกหัดจริงๆฝึกหัดอย่างดีฝึกหัดอย่างมีประโยชน์ให้คอยฝึกหัดตัวเองโดยการนึกมรริก ร, รมพุทธโตพุทธโตไว ตลอดให้สังเกตเดียวนี้ก็ได้ว่าใจของเราอยู่กับพุโทโธไหมถ้ามันไม่อยู่กับพุโทโธมันคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่หนีจากบ้านจากเดือนจากลูกจากเต้าจากหลานเลรียญหลนมันก็ยุ่งยุ่งกับเขาพูดวายกับเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนา แต่เรามาอย่างนี้ก็เหลือตั้งใจฝึกหัดให้มันได้ผลมันจะอยู่กับพุโทโธนั้นเรื่อยไปพอมันสงบได้ที่แล้วสังเกตดูนะมันจะกินจะเบาสบายขึ้นเลยนั่งก็ไม่เก็บขาทำอะไรก็ไม่เก็บขา นั่งพับเพียบก็ไม่เก็บขานั่งขัดสมาธิก็ไม่เก็บขาทำไมจึงไม่เก็บขาเพราะว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตเข้าถึงความจริงเหรมันก็ต้องแก้ไขถ้าใครยังทำให้เป็นให้แก้ไขถ้าเราคิดนู่นนี่อยู่ ให้ละให้วางวางสิสีเหล่านั้นเสียยาวไปใส่กับความคิดความนึกเรื่องต่างๆให้คอยเฝ้ารักษารักษาความดีที่มีอยู่ในใจเรานะ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีราคะตัณหาไม่มีสูงมีต่ำใจสงบอยู่กับพุทธโธใช้ได้คอยเฝ้าดูให้ดีนั่งอยู่ไกลก็ไม่ ต่างอะไรหรอกใจเราสงบได้ตรงไหนแล้วก็พอใจเราทำอย่างไรกิจเราจึงสงบขอทบทวนดูใจเราสงบไปนี่เราเห็นใจชัดเจนใจแท้ไม่หวั่นไหว ให้ปล่อยวางอารมณ์ที่มีอะไรบ้างหลายสิ่งหลายอย่างอย่าเอาเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวอัตมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังสามารถกำหนดสมาธิเองได้ถ้าเรานึกพุโทโธพุโทโธอยู่ก็แสดงว่าใจเราก็อยู่ มันก็มาคิดโงสซ่านแล้วมันก็ไม่อยากคุยด้วยอยากอยู่เงียบอยากอยู่เงียบผู้เดียวไม่อยากให้สิ่งนั้นสี่นี้มารบกวนใจพระปฏิบัติท่านได้ข้ออบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปอยู่ในป่าเพื่ออะไรเพื่อการ ปฏิบัติลีเกสเนี่ยไม่มีใครแต่เราก็งดความฟุ้งซ่านโดยการทำสมาธินี่แหละให้มันดีขึ้นถ้าจิตสงบดีแล้วเราก็สบายทำไงอยู่เราก็สบาย เขียนหนังสือเรียนหนังสืออยู่ก็สบายถ้าทำกินให้สงบเป็นสมาธิแล้วเรียกวเข้าถึงเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาทุกคนเจ็ดวันนะที่เราจะต้องนั่งภาวนานี่จะมีพักก็ไม่มาก เราก็ตั้งใจปฏิบัติอย่าคิดว่าสิ่งนี้มันง่ายสิ่งนี้มันยากให้คิดว่าเรามีสติอยู่กับบทบริกรรมรู้ไหมให้พยายามทำสิ่งนี้แหละให้มันดีถ้ากิตเราดีแล้ว เราก็รักษาความสงบหรือความดีนั้นไว้อย่าให้มันหนีไปจากเราให้มันอยู่กับเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นของไม่เที่ยงก็ตามเราก็สามารถตั้งใจเฝ้าดูพร้อมกับนึกกุทโธพุทโธไป ใจของเราก็จะสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ป่าก็ได้อยู่ป่าช้าก็ได้แต่ว่าความกลัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันรุนแรงมากตมาก็เคยเป็น วัวผีมากที่สุดเลยเขาว่ะมีผีกองก่อยนะที่นีนน่เดินไปกับพ่อฝรั่งพระฝรั่งก็คุยคุยเรื่องนั้นนี่อัตมาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาคุยอะไรแต่อัตมาก็บอกว่าอย่าคุยกันหยุดซะ ก, ก่อนอย่าพูดอัตมาว่าอย่างนี้สตอ๊อปเข า, าอบอสต๊อป ฟังเสียงของก้อยกั๊กของก้อยกั๊กตามลำธาร น, นี่แหละหีก้องก้อยอุ้ยอาตมาอยู่วัดธรรมมงคลไม่ไม่กลัวเลยไฟเผาศพเขาเผาศพที่ร้านรัฐที่ร้าน ใ, ใกล้ศาลาอาตมาไม่กลัว แต่พ่อมาอยู่เดียวๆกลัวระบาดนกลัวเวลากลางคืนกลัวมากก่อนที่จะสร้างวัดอัตมา ก, ก็อยู่คนเดียวมีเงินติดตัวมาร5 0ยห้าสิบบาทซื้อหญ้าคามามงหลังคา ได้หลังเดียวสึงนข้ามาคืนมาก็ไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วอยู่คนเดียวอยากโยงเข้ามาทำบุญล้วก็คือกับเขาไม่รบกวนไม่อยู่ขอหวยขอเบอร์หรอกอยู่ธรรมดานี่ยแหละ กลางโกดใต้ลมไม้วันที่ส7เจมษายนอาตมาเข้ามาอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวแต่อยู่ที่นั่นมันมันไม่กลัว นอนเฝ้าพระบรมสาลีลิกธาตุเขาเผาศพก็เห็นอยู่แต่ไม่รู้สึกกลัวไม่หวั่นไหวด้วยไม่คิดกลัวคิดอะไรแต่พอไปอยู่ป่าอยู่ลงคนเดียวไอ้กลัวกลัวใหญ่หเลยอย่างเราอยู่ที่นี่ก็อยู่คนเดียวเอาสู้สู้สนั่งอยู่ เสียงดังซาซาหุยผีมาหลอกกูแล้วมั้งทีหลอกกูแล้วเก <c oughs> ิดความกลัวขึ้นมาไว้นี่ฝน <c oughs> ตกวันวันที่ส6บหฝนตกน่ะทิดมาดูที่วันที่ส6บหกลับไปถึง เงวดบ้านกัง้งฝนตกลงพอดีพอฝนตกเราก็มีกุฏิอยู่หลังเดียวติย่านะเรามาอยู่นี่อยู่อบอุ่นนะมีความอบอุ่นมากเหมือนมีเพื่อนอยู่เป็นพัน์เป็นหมื่นนะอบอุน่นจิตใจอบอุน่น ภาวนาพุทโธพุทโธไวต่างกฎอัตมาว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะผีหลอกกูได้ปะเนี่ยอัตมาก็เลยเปิดดูพอเปิดดูก็เห็นพวกน่ะมันกินเสือที่เราปูนอน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วะไม่ใช่ผีสางอะไรแล้วนี่ยพวกกินเสือเราด้วยเนี่ยพอดีก่อนจะมาที่นี่ยมพ่อเขาให้ผ้าเต็น์อันหนึ่งผ้าเต็น์ของทหารมอบให้ให้เอาไปปูนอนก็ได้ยมพ่อว่าตมาก็เลยเอา เอาผ้าผ้าเต็นนะั่นะไว้ข้างล่างนะเอาเสื อ, อไวขนะ้ข้างบนสาตว์แบไว้ข้างบนก็ดั่งสมาธิใจก็สบายใครดั่งสมาธิใจก็สบายเอาให้พ้นจากกองทุกข์ในชาตินี้แหละ ไม่ถอยมันแล้วอยากปว่าุบันก็ตามปัจจุบันนี้โอ้โหทำกุฏิวิหารเต็มไปหมดไม่ใช่อาตมา ร, รวยเงินแต่รวยบุญสร้างเอาบุญทำเอาบุญอยู่กลัวก็ หาทางแก้ไขเอามีสิ่งน่ากลัวหลายอย่างอันที่จริงมันมันไม่มีอะไรมากหรอกใจเราไม่เป็นสมาธิมันถึงกลัวนั่นกลัวนี่แต่พอใจเราเป็นสมาธิแล้วไม่เห็นมันกลัวมันไม่กลัว ถึงกลัวมันก็ตัวเราก็น่ากลัวมากกว่าเพราะอะไรผีหมูก็อยู่ในตัวเรานี่แหละผีไก่ก็อยู่ในเรานี่แหละผีปลาก็อยู่ที่เรานี่แหละอยู่ในท้องเรานี่แต่ไม่เห็นว่ามันหลอกแต่อื่นๆือ้าวมันหลอกปูกลัวผีเหมือนกัน อัานที่มาอยู่ฝึกใหม่ก็คิดหน้าคิดหลังจะออกจากกุฏิก็ครัวแล้วบางคนหรอกบางคนไม่ได้ว่าทั้งหมดครัวครัวอะไรครัวผีผีมันเป็นตัวยังไงนะอยากรู้เหมือนกันใจเรานี่หลาอาตย์ว่าใจไม่ไม่สงบถ้าใจสงบแล้ว ไม่กลัวแต่ก่อนเป็นป่าเรามาอยู่ใหม่ก็เป็นป่าตัดตรงนั้นออกตรงนี้สร้างสลาสร้างนั่นสร้างนี่ไม่เห็นมันกลัวกลัวเพราะว่าภาวนาไม่เป็นแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วมันไม่กลัว ไม่ว่าผีว่าสางอะไรก็ตามมันไม่ลบกวนเราหรอกแต่เราสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจของเราบันไบทเฉยๆอย่างเรามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันมาฝึกปฏิบัติไม่ได้นอนหลังเดียวกันถ้ามีหลาย ห, ายห้องก็อยู่คนละห้องแล้วก็ห้ามมให้คุยกันไม่รู้จะอดได้หรือเปล่าอันนี้ก็ดี ส่วนคนอยู่กติหลังเดียวเดียวเดียวก็กลัวบางคนขอไปนอนกับเพื่อนก็มีนี่เพราะอะไรเพราะใจเราไม่สงบเลยกลัวถ้าใจสงบแล้วมันไม่กลัวมันไม่หวั่นไหวเลยนอนอยู่ป่าก็อยู่ได้ ออกมาไปอยู่บนยอดเขาห่างจากหมู่บ้านสองกิโลคงกเนี้ขนาดบ้านก้างถึงบ้านน้องเต่านี่แหละกลัวนะตกกลางคืนมาอธิษฐานใจว่าเราจะบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่แหละน่ากลัวมาวกเพราะไปอยู่บนยอดบนเขา มันเป็นพระลานหินเพื่อนก็มาส่งอยมาส่งว่าตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาพูดให้ฟังเราตัวงคืนมาแล้วก็ที่ฐานใจว่าวันนี้และตลอดเวลาที่อยู่นี่จะลงเดินจงกรมเมื่อสามทุ่มผ่านไปแล้วจะลงเดินจงกรม เพื่อนไม่รู้ว่าหนีกลับไปไงไม่บอกเลยอาตมาก็ฝึกหัดเอาให้มันได้ตั้งใจพยายามกลัวผีนะั่นี้ลบรผัดผิว ๆ, ๆ, ๆิวอาตมาก็จะลงเดินจงกรมแล้วมัน3ามทุ่มตามที่ได้ตั้งกิจอธิษฐานไปลงไป ตรไปเดินจงกลมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินยกลมั่นแหละไม่ได้สังเกตพอเดือนหงายไม่แจ่มใสเท่าไรหร่หรอกก็พอดูได้รู้ได้อยู่แต่แต่ไม่สะาดชัดเจนไม่ชัดเจน พอไปเดินโยงกลมเห็นพุ่มไม้ก็ น, นึกว่าคนหัวขาวอัตมาก็เอามือน่อแยวเข้าไปถ้าเป็นผีก็ต้องหนีอเออพุ่มไม้นี่ก็หลอกเราเป็นมันกะเด่นเราขาดความสังกีดการอยู่ผู้เดียวนี่มันเป็นเรื่องดี แต่ว่าต้องระวังความกลัวอย่าให้ความกลัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจเราให้พุทธโทเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจเราเราก็ไปได้พอดึกดึกมาแบบนี้เราไฟังอีกพอดึกดึกมานะรงกระพัดวิวยูวววววว่บนยอดเขาเสียงฉุดซับ อยู่ในต้นไม้แท่งช่าลงถึงดินโ้ยจะวิ่ ง, งไปก่อนจะถึงหมู่บ้านก็คงตายพอดีเอา้ามันไม่กัดผูกินหรอก ก, ก็สู้ได้อยู่ได้ตั้งสิบคืน อยู่คนเดียวนะไปวินเทาบาทไกลเป็นทั้งสองกิโลแต่มันเป็นคนหนุ่มมันอยู่ยังไงก็ได้แต่อย่างปัจจุบันนี้ไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถึงไม่กลัวผีเต็มที่ก็ตามแต่มันก็อยู่นะสักหน่อยหนึ่งอยูอย่เหมือนกันแหละในที่สุดเราก็อยู่ได้ พออยู่ได้ไปอยู่ที่ไหนใจมันก็ดีขึ้นมันสบายวันหนึ่งบ้านโคกซวกไทยเจริญคนตายเขาไปเผาเขาอยู่ป่าชา้าเพื่อนก็บอกว่าอันเรานั่งเรานั่งอยู่ที่นี่แหละให้เขากลับก่อนเรานั่งสองคนอยู่ที่นี่ลำไส้ก็พิดขึ้นน้ำพ้ออกมา เราโอยหัวใจสั่นล็กๆเลยเพื่อนก็พาอยู่กันแหละเห็นไฟมันไหม้มันอะไรอยู่น้ำในท้องมันก็ปี๊ดขึ้นมาตอนนั้นก็มีเพื่อนพาไปตรงนั้นไปฝึกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ฝึอยู่บนยอดเขาฝึกอยู่ในทิศในถ้ในอะไรนัร่นแหละพอพิจารณาดูให้ดีถ้าใจแล้วไม่สงบแล้วอะไรอะไรก็ไม่ดีสักอย่างถ้าใจสงบแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบกในน้าหรืออยู่ในภูในเขาก็ตามในถ้าในเหวก็ตาม ขอให้ใจเรามีพุทธโธประจำอยู่ก็แล้วกันเราจะทำอะไรก็ตามเรานึกพุทธโธไว้เวลาใกล้จะตายถ้านึกพุทธโธพุทธโธได้ตายแล้วไปสวรรค์ไม่ได้ไปส่วนไบยภูมิถ้าทำความดีไปมากทำอะไรมันก็ดีหมดแหละ ถ้าจิตเราไม่ดีอะไรอะไรก็เป็นสิ่งน่ากลัวน่าขยะขยงเราหัดไปอย่าถอยการสอนภาวนาก็ให้กำหนดบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจก็ดูล่ในมาหลายหลายคนนี่ อาจจะอยู่คนล่าหลังล่าหลังอย่างเขตผู้หญิงนี่มันีป่ารกแต่ก็ปูกกุฏิไว้แล้วเราไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครคิดกลัวแบบคนนั้นยังไม่ได้สมาธิคิดไม่เป็นสมาธิ ตาจิตนนเป็นสมาธิมันปรุงแต่งได้ทุกเรื่องอ่ะแหละปรุงแต่งจิตใจเราให้หวันไหวให้กลัวสารพัดแต่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ทิ้งโหดบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้ทําไปเรื่อยๆให้บริกรรมเรื่อยๆให้ท่องอยู่ในใจเรื่อยๆ อย่าทิ้งมันไม่มีอะไรหรอกผีสางนางไม้อะไรไม่มีหรอกจะไปกลัวกูตีแต่ลหลังก็ปลอดภัยไม่มีอะไรน่ากลัวให้พยายามคอยกำหนดรูปพุดโทพุดโทไว้อย่าทิ้งพุดโท ถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดใจนี่สำคัญถ้าเราฝึกหัดได้แล้วก็เหมือนมา้าวิ่งได้ชิบเลยถ้าเราฝึกหัดให้มันอยู่กับธรรมะดูใจเราก็สบายขึ้นมาเลยเราไม่ได้ลงทุนลงรานอะไรเลยไม่เสียเงินสักบาทเลย ยังไงก็ให้ตั้งแกจปฏิบัติไปก็แล้วกันให้สบายใจได้อยากได้บุญก็ทําเอาอยากได้บาปก็ทําเอาใจเศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นบาปใจผ่องใสเป็นบุญเราเกิดมามีความสุขเพราะบุญมีความทุกข์เพราะบาปบาปนั่นแหละมาทกทําจิตใจของเราให้ วัดไหวใจของเราไม่สงบอยู่เป็นที่เป็นทางได้ถ้าทําเป็นแล้วนู่นเอาพุโทโธไปไว้นู่นแอร์นู่นมันก็กําหนดพุดโทโธได้เหมือนกันแอร์ไม่ได้กําหนดพุดโทโธหรอกแต่ว่าเรามองดูใจเราก็สงบใจเย็นใจสบายอย่าลืม มีอะไรมาไต่มาตอมก็อย่าไปยุ่งกับมันคนปฏิบัติใหม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนคนเก่าเข้าใจแล้วแต่ผู้มาปฏิบัติใหม่มันน่า ก, กลัวมากตกกระคืนมานี่ยเงียบสงบให้คิดว่าอัตมามาอยู่ที่นี่หลายปีมา<ย>มาวากาดเอกพิท ย, ยะก็มาทอดพระป่า ตอาระปาวันที่17เจ็ดเมษาพอตกนนก็พามาภาวนาท่านนั่นแหละเอารถจิบทหารนะออกมาเยี่ยมอัตมานิมนต์ให้ไปเทศที่สนามบินอัตมาก็ไปโอ้เห็นคนแต่งตัว มียศมีดาวกิจใจเราอ่อนไหวเลยเทศก็จะไม่ออกนะพอเข้าสมาธิปุ๊บลงไปอ้าวได้ผลไหมเทศได้เลยจับหลักให้มันได้อภั ป, ปกุฏิก็ให้ทำอีกแต่ว่าเป็นของยาก ถ้าทำถูกแล้วเป็นของง่ายง่ายแก่กิจใจเรานี่แหละทุกมันก็ทุกกายก็มีทุกใจก็มีทุกทั้งกายทั้งใจก็มีถ้าเราอยากให้มันมีความสุข ก, ก็ให้ปฏิบัติธรรมให้คำสอนของพุทธเจ้ามาอยู่ในใจเราเท่านี้แหละ ก็สามารถที่จะดำเนินการปฏิบัติได้ถึงที่สุดของงานปฏิบัติเริ่มต้นโดยการบริกรรมพุโทโธเมื่อกิจสงบแล้วไม่บริกรรมพุทโธก็ได้ไม่บริกรรมพุโทโธก็ได้เพราะอะไรเพราะกิจมันสงบแล้วแต่ต้องฝึกให้มันชำนานเหมือนขอมันชำนานแล้วก็พิจารณา พ็นาอะไรพี่อัตนาอัตภาพตัวตนเรานี่แหละวเกิดขึ้นมาได้ยังไงตายไปยังไงนึกว่าคนนี้ในโลกนี้จะไม่ตายไม่ใช่ทุกวันคนตายเกิดท่าไหรก็มันกันตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะถึงวันนั้นให้เตรียมตัวไว้ให้ดี ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของไม่เที่ยงพุทธทนเที่ยงต่อพระนิพพานขอหายตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจเอาเท่านี้แหละ